พระธรรมเทศนาแผ่นที่70ดลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่13ตุลาคม2557มีชื่อเรื่องว่าธรรมะเมื่อลาสิกขาการลาสิกขาในหลักธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าท่านให้ทำความเข้าใจกับผู้ที่จะลาสิกขาก่อนผู้ที่จะลาสิกขาบทต้องให้เข้าใจว่าการลาสิกขาในคราวนี้ครั้งนี้ไม่ได้ถูกขู่เข็นบังคับให้ลาสิกขาไม่ได้ขอร้องบอกกล่าวอะไรให้ลาสิกขาเป็นความสมัครใจของผู้ที่จะลาสิกขา เพราะนั้นที่ก่อนที่จะลาสิกขาให้ทำความเข้าใจก่อนท่าว่าเรามีการถูกบังคับให้กล่าวลาสิกขาที่จะกล่าวสักร้อยครั้งก็ไม่เป็นอันกล่าวลาสิกขาเพราะนั้นการกล่าวครั้งนี้เป็น ก, า, นการกล่าวด้วยความสมัครใจให้รับทราบร่วมกันทุกองทุกค น, ท, กคนที่เรากล่าวครั้งนี้ท่าว่ากล่าว ด้วยความไม่สมัครใจบังคับให้กล่าวถึงจะกล่าวเท่าไหร่ก็ไม่เป็นอันลาสิกขาเพราะนั้นการกล่าวลาสิกขาให้ออกมาจากใจจริง ว, ว่าข้าพระเจ้าได้กำหนดกฎเกณฑ์แล้วเป็นความสมัครใจของข้าพระเจ้าเองในการราสิกขาในคราวนี้เอาตอนนี้ไปวานธโม3ามจบ นาพระเพียบปนมือพวกเราเจ็ดคนในลาศิกขาตามประเพณีที่พวกเราบวชเข้ามาก็เพื่อบวชเข้ามาเพื่อบูชาทดแทนพระคุณของพ่อแม่บัดนี้ก็ได้กำหนดที่ได้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะลาสิกขา บวกเราก็ได้ลาสิกขาวันนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันกรถินเทศกาลกรถินในวัดเมื่อพน้นเกจกระถินเมื่อพ้นกรถินของวัดได้ถอดแล้วพวกเราก็ได้ลาสิกขาและก็ให้พวกเราทั้งหลายที่บวชมาในคราวนี้ครั้งนี้ได้กําไรขาดทุนยังไงกระลุกแก่ใจของพวก เ, เธอทั้งเจดคน ว่าบวชมาเขาในาีขาดทุนหรือได้กําไรอย่างไรแต่ว่าการที่จะทาให้ขาดทุนหรือกําไรก็เป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายเอกเอกเหมือนกันถ้าพวกท่านเข้ามาบวชแต่สักว่าบวชไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ภาวนาไม่ได้ขัดเกลวฝึกขัดดัดนิสยัยขัดเกลิกิเลสของตนเองบวชเข้ามาก็มาอยู่ในวัดก็มันก็ไม่แพ้กรรอกกแต ลิงข้างบางชนีของหลวงพอ่อแต่ถ้ามาพวกท่านทั้งหลายเข้ามาบวชแล้วเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจชำระกายวาจาใจตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธทเจ้าพวกท่านของคงจะได้รับได้ริมรสพระสัทธรรมหรือ ว, ว่าคาสอนของพรุท ธ, ธในรับความสงบตามแนวแถวของพุท ธ, ธที่ท่านได้บอกกล่าวแนะนำ ให้พวกเราประพฤติปฏิบัติพวกเราได้รับผลถ้าพวกเราจริงจังก็คงได้รับผลมากน้อยตามความสามารถและตามความตามบุญบารมีของพวกท่านแต่อันนี้ก็ได้ผ่านไปแล้วพวกเราก็ได้ลาศึกขาผ่านมาตั้งแต่วันบวชจนถึงวันนี้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่า ตัวของพวกเราทั้งเจ็ดคนเพราะนั้นต่อนี้ไปแต่ทิงยังไงวิชาในโลกนี้มันเรียดจบแต่ถ้าหากว่าเราไม่หมดลมหายใจวิชาความรู้ที่เราจะต้องเรียนจะต้องศึกษานะั่นนะยังมีอีกมากเพราะนั้นเมื่อเราไปเป็นฆราวาสก็ให้เป็นฆราวาสที่ดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีให้มันขยัน ให้มีความอดทนให้มีคุณธรรมศีลธรรมจ ร, ริยธรรมที่ดีอยู่ในครวัตธรรมธรรมของครวัตมีอยู่สี่อย่างการอยู่ด้วยกันเราจะไปเป็นครวัตที่ดีต้องมีสัจจะการมีอะไรต้องมีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจการพูดกล่าวอะไรออกไปให้รักษาสัต์คือที่ได้พูดออกไปแล้วนั้น ถ้าว่าไม่มั่นใจเราจะไม่พูดถ้าเราพูดไปเพราะว่ามั่นใจต้องปฏิบัติได้ตามที่เราได้ตกลงหรือ ว, ว่าได้พูดเอาไว้แล้วนั้นอันนี้ว่าให้มีสัจจะในการเป็นอยู่ธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนการดูกับพ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ยายญาติมิตรสหายมีครอบครัวก็ต้องมีขันติคือความอดทนให้รู้จักธรรมะ คือข่มจิตของตนถ้าเราถ้าเราไม่รู้จักข่มจิตของตนเองปล่อยไปตามอําเภอใจตามอัธถาใจอันนั้นไม่เป็นผลดีแน่เพราะว่าใจของเราโดยมากมันไหลไปทางต่ำไปทางกิเลสโลภโกรธหลงเพราะนั้นเราปล่อยตามใจคือไปทางโลภโกรธหลงมันจะหาความ สงบพร้อมเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะนั้นธรรมะให้รู้จักข่มจิตอันจิตที่ไหลไปนในทางชั่วเราจะต้องเบกจะ ต, ต้องห้ามจะต้องข่มเอาไว้ถ้างเอาไปในทางดีเราก็ปล่อยให้มันไปในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องอันนี้เราจากธรรมะขันติให้มีความอดทนในหน้าที่การงานอดทนต่อการดูด่าว่าเกา่าอดทนต่อสิ่ง ที่ไม่พึงปราถนาที่เกิดขึ้นเราอดทนแล้วอดทนทำหน้าที่การงานให้ดีที่สดุดถ้าเรามีก้อนขี้เกียจขี้ค้านร้อนหนาวเราก็ต้องอดทนสู้สิ่งที่ร้อนหนาวเหล่านั้นแล้วก็ชู้ต่อการต่องานอันนี้บอกให้มีขันติคือความอดทนใครใครจะดาผู้บังคับบัญชาหรือ ว, ว่าใคร ใหรด่าก็ตามเราต้องฟังเหตุต้องฟังผลเมื่อเขาด่าเขาพูดไปนั้นถูกต้องเป็นธรรมไหมถ้าถูกก็เป็นธรรมเราก็ปรับปรุงแก้ไขจารยวาจาของเราเราก็ทําให้มันถูกต้องอันนี้แปลว่าขันตินคือความอดทนจะฆ่าให้มีการเสียสล ะ, ะเมื่อเราไ ป, ไปเป็นฆราวาสจะต้องเสียสละต่อหน้าที่การงานเสีย สละในการให้ใหพ่อให้แม่เมื่อได้เงินคําทรัพย์สมบัติมาแล้วกับการเสียสละทดแทนพระุลของท่านหรือว่าเสียสละให้วงศาคณาญาติหรือญาติผู้ใหญ่ของเราที่มีความจําเป็นแบ่งปันพูดง่ายๆคือแบ่งปันคือการเสียสละให้กับผู้คนที่ควรให้อันนี้ก็คือมีอยู่สี่อย่าง เรว่าฆราวาสธรรมธรรมของฆราวาสเมื่อเราไปเป็นฆราวาส ต, ต้องมีธรรมสี่ประการนี้อยู่ในจิตในใจของพวกเราสัจจะธรรมะขันติจาคะมีอยู่4ประการจากนั้นก็เป็นฆราวาส ต, ต้องมีความขยันนะใครความขยันเป็นเบื้องตน้นอุทานะทัปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันรักษาทัปทา ขั้นเมื่อเราขยันแล้วหาจับได้ก็จอมรักษาทรัพย์สมบัติที่ตนแสวงหามาได้ด้วยความยากลำบาก อ, อ, อันนี้แปลว่าอารักขาสมปทากัญยาณมิตรให้ครบเพื่อนการออกไปเป็นคารวัตต้องลุกเลือกครบคนดีคนที่มันไม่ดีรู้ไหมคนไม่ดเีเราต้องให้สังเกตถ้าเราสังเกตถ้าเราใช้ปัญญา เราจะรู้ได้คนไหนดีคนไหนไม่ดีถ้าว่าคนโง่เสอย่างเนี่ยไม่รู้จักเลือกเห็นคนแล้วก็เป็นคนแล้วก็ดีหมดเพอเผลยังมีความอิจฉาในจิตในใจเห็นคนแล้วก็ชั่วมดดี ต, ต่ตัวเองคนเดียวอันนี้แปลว่าคนไม่มีปัญญาไม่รู้จักแยกแยะไม่รู้จักคัดเลือกอกลยาณมิตตาให้ ค, บ, คบเพื่อนที่ดีงามไม่จะว่าให้คบเพื่อน อะไรก็ครบอะไรแต่หมดไม่ใช่นะให้ครบเพื่อนที่ดีงามดีงามก็คือมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีและข้อสุดท้ายสำมาชีวิตตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอยากไปโผลหหลอกลวงต้มถุนหลอกลวงเขามาเลี้ยงชีวิตของเราพฉะนั้นขอให้พวกเราทุ ก, ท, กท่านนะออกไปสู่ฆราวาสต้องมีฆราวาสธรรม4ประการและก็ทิฏฐธรรมิมกัตประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบันในการครองชีพก็มีเจ็ดมี สี่ประการเหมือนกันพระองค์ขอให้พวกเราทุกคนอย่าลืมตรงอย่าลืมตัวอย่าหลงตนจืมตัวให้รู้จักหน้าที่การงานให้รู้จักพระคุณของพ่อของแม่เราบวทมาในพุทธศาสนาสามเดือนสามเดือนกว่าเราได้อยู่กับพุทธศาสนาได้ศึกษาพุทธศาสนาขอให้พวกเราท่านทั้งหลายออกไปเป็นคารวะข อ, ข อ, ข อ, ขอขใหม้มีความเจริญเจริญทั้งคดีและโลก คดีโลกและคดีธรรมน ะ, อะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะประพรมน้ำพุทธมนเพื่อเป็นสิริมงคนนะมหัวลง